การกล่าวตูพ่พระทธเจ้านั้นไม่ดีเลยเพราะพระทเจ้าตรัสว่าท่านไม่ได้ตัดอย่างนี้แล้วก็พระก็บอกว่าวิญ ญ, ญาณอาศัยปัจจัยประชุมกันเกิดขึ้นนะต้องอาศัยปัจจัยประชุมปรุงแต่งมากมายนะจิตทุกประเภทเนี่ยจิต22ประเภทที่เราเรียนกันมาเห็นไหมตั้งแต่จิตมีราคาจิตปราศจากราคาจิตมีโทสะปราศจากโทสะทั้งหลายจนถึงจักรกุญญญาโสตวิญญาณขานวิญญาณชิวหาวิญญา ณ, าญญาณกายเยาวิญญาณและมนโนวิญญาณเนี่ย จิตเหล่านี้อาศัยปัจจัยประปชุมปรงแต่งเกิดขึ้นไม่ได้ไม่ใช่วิ่งหรือท่องเที่ยวไปแล่นไปอย่างที่ท่านเข้าใจนี่นะท่านถูกสอบถามถูกไล่เลียงเบ็ดเสร็จอย่างนั้นแล้วท่านก็ยังยึดมั่นอะไรเป็นปัจจัยท่านยึดมั่นคนเนี่ยถ้าเป็นครูเป็นอาจารย์คนเลยเนะี่ยไปไปติดคําว่าอาจารย์เนี่ยนะคาว่าอาจารย์นี่อันตรายนะ อาจารย์ของพระราชามหามาตอาจารย์ของเศรษฐีมหาเศรษฐีอาจารย์ของมีบริษัทบริวารเยอะๆคําำนี้อันตรายมากผิดแล้วไม่กล้าถอนคำคำนี้ไม่กล้าถ้าไม่ใช่บัณฑิตจริงๆเนี่ยไม่กล้าถอนหรือบางครั้งเนี่ยบางครั้งไอ้ตนเองเนี่ยก้าล่วงไปซะและ้วเพราะความเห็นของตนเองเนั้ น, นมันฝังลึกแล้ว ล่องของมิจฉาทิถิมันลึกเกินไปที่จะโดดออกมาได้แล้วอยากออกก็ออกไม่ได้นี่กลุ่ม น, นี่คืออยากออกแล้วออกไม่ได้เดินออกความจากความเห็นไม่ได้ฉะนั้นอย่าตอกลิ่มความเข้าใจผิดให้ลึกเดี๋ยวเดินออกมาไม่ได้แล้วมันไม่มีใครช่วยเราไม่มีใครช่วยเราได้พระศาสดาบอกแล้วไม่เชื่อแล้วนี่จบแล้ว จบแล้วถ้าพระศาสดาบอกไม่เชื่ออันนี้เนะื้ออันนี้ไม่ใช่ท่านไม่เข้าใจนะท่านเข้าใจในะคำสอนเนะี่ยท่านก็ยืนยันเพิกศูนยเหล่านั้นไม่อาจจะปลดเปลื้องได้แล้วขนาดพระมาประชุมกันและซักเลยนะท่านไม่ถอนไม่ถอนความเห็นก็ยังมีทิฏฐิรา ม, มกเกิดขึ้นอย่างนั้นในสุดจริงๆก็ไปเฝ้าพราะบรมศาสดานะ เมื่อไปเฝ้าพระาศาสดาก็กราบรายงานให้กับพระบรมศาสดาฟังว่าสาติพิขูเนี่ยเกวัตบุตรเนี่ยมีทิฏฐิลามกเกิดขึ้นบอกว่าท่านไปยืนยันว่าท่านรู้ทั่วถึงธรรมที่พระาศาสดาสแสดง อ, อสอนเวลาบรรยายธรรมเนี่ยนะถ้าถ้าเราเอาทิฏฐิส่วนตนใสนี่ยนะเออมันยิ่งแน่นพอแน่นก็ไปไม่กล้าผิดผิดได้ยงไงใช่ไเล่นบันทึกเทปป๊ ป, ป, ปไปอย่างเงี้ยนะ อย่างนี้นะแล้วไปยึดติดตัวเนี้ยไม่กล้าถอนแล้วบางคนเนี่ยนีไม่กล้าถอนแล้วสิ่งที่ตัเองพลาดไปเนี่ยพอไม่กล้าถอนเบเสร็จแล้วอ้าแล้วมีบริษัทบริวารขึ้นมารับรองเขาอีกอยความติดในลาบสกาละติดในซื่อชื่อเสียงไปแล้วตันเนี้ยก็ไม่กล้าไอ้ตรงเนี้ยนี่เป็นโทษไหมเป็นโทษเลยตรงเนี้ยพอในลักษณะอย่างนี้เบ็ดเสร็จแล้วก็ไปเฝ้าพุทธเจ้าที่นี้ถ้าถามว่า บรรดากลุ่มบุคคลที่สอนผิดทั้งหลายเวลาไปศึกษาพระไตรปิฎกไปอ่านพระไตรไปิฎกแปลไว้เฝ้าพระพุทธเจ้าถ้าท่านเฝ้าไม่เป็นก็ยุ่งอีกก็ถอนไม่ได้อีกใช่ไหมก็ไปเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าตําหนิสาติตพิขุเกวัตะบุตรไปเข้าใจว่าพระาศาสดาตําหนิอริทกาภิขุไม่ได้ตําหนิเรา mm hmm. เวลาอ่านพระไตรปิฎกเนะี่ยเลยตนเองไปซะ น, นี่ mm hmm. พระธรรมในพระไตรปิฎกก็ไม่เข้ามากระแทกที่ความรู้สึกตนเอง ตอนเองก็เออท่านสาติตพิคูเนี่ยเป็นผู่มีความเห็นผิดนะเห็นว่าจิตเที่ยงแต่เราดีนะเราไม่เคยถูกพุทเจ้าตําหนิอย่างเงี้ยนะนี่เลยตัวเองไหมอ่านพระธรรมก็เลยตัวเองไปแล้วทํำยังไงเราจะอ่านพระธรรมแล้วเอาตัวเราเป็นสาติตพิคูใช่ไหมแล้วก็อ่านบ่อยๆ อ, อ่านดังๆให้ตัวเองได้ยินบ่อยๆว่าอย่าเป็นอย่างนี้อย่าเป็นอย่างนี้เราเป็นแบบนี้มานานแล้ว ถ้าเราไม่เห็นผิดเนี่ยตอนนี้เราคงบรรูุแล้วใช่ไหมเนี่ยต้องเห็นผิดมาแน่นอนถึงมานั่งประชมขันกันอยู่อย่างเงี้ยจริงไหมยอมแก่เรื่องต้องเรียกบ่อยมากต่อไปวิธีการก็คือว่าเวลาถึงตอนกลางวันอย่าทานข้าวดีไ้ย อย่าทานก็ดีไห ม, ท า, มาทานแต่น้ำมองดีไห <c oughs> ตรงนี้ก็คือว่าเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยท่านก็ บ, บอกพระพุทธเจ้าก็อธิบายโดยปริยายเนกบอกว่าความเกิดแห่งวิญญาณคือพระบรมศาสดาเรียกไปนพนะพอเรียกไปเบ็ดเสร็จก็ซักถามท่านเห็นอย่างนี้ท่านอย่ากล่าวตูพระพุทธเจ้าเลย การตูพระบรสมศาสดาไม่ดีเลยเพราะพระบรสมศาสดาไม่ได้ตัดอย่างนี้ท่านสาติวิญญาณอาศัยปัจจัยประชุมกันเกิดขึ้นถ้าวิญญาณเนี่ยต้องอาศัยปัจจัยประชุมกันเกิดขึ้นนะไม่ใช่ไม่มีปัจจัยนะพระศาสดาตรัสโดยอเนกปริยายไปว่าอธิบายมากว่าความเกิดแห่งวิญญาณเว้นจากปัจจัยไม่ได้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสาติพิคุอันพวกข้าพระองค์ซักไซ้ะไรเลี้ยงเบ็ดเสร็จแล้วก็ไม่ยอมถอนว่างั้นนะ พระศาสดาก็ให้ภิกษุรูปหนึ่งไปตามเธอมาว่าว่าให้ไปเรียกสติภิกุลมาสาติพิกุรับคําแล้วเข้าไปเฝ้าพระศาสดาถวายพิวาทแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระศาสดาตรัสถามว่าสาติได้ยินว่าเธอมีทิฏฐิลามกเห็นปานนี้เกิดขึ้นว่าเรารู้ทั่วถึงธรรมที่พระบรมศาสดาทรงแสดงว่าวิญญาณ น, นั่นแลย่อมแล่นไปท่องเที่ยวไปไม่ใช่สิ่งอื่นดังนี้จริงหรือไม่ สาติพิกุก็กราบทูลว่าข้าแต่พระ อ, องค์พูดจเจริญข้าพระ อ, องค์รู้ทั่วถึงทมตามที่พระผู้มีภาคเจ้าทรงแสดงไว้อย่างแจ่มแจ้งว่าวิญญาณ น, นั่นแหละย่อมแล่นไปท่องเที่ยวไปไม่ใช่อย่างอื่นพระพุทธเจ้าสาติวิญญาณเป็นอย่างไรถามเลยสาติก็บอกว่าสภาวะที่พูดได้สภาวะที่รับรู้ได้สภาวะที่สวยบากกรรมทั้งหลาย เป็นทั้งส่วนดีและส่วนชั่วนั้นเป็นวิญญาณพระเจ้าค่ะจบเลยพูดเหมือนถูกไหมสภาวะที่พูดได้เนี่ยวิญญาณพูดได้ไหมจากคุวิญพูดได้ไหมโสตวิญญาณคาร์วิญญาณชิวหาวิญญาณกายเยวิญญาณมัโนวิญญาณเห็ไหมทุรพลทำเหล่านี้ต้องอาศัยปัจจัยประชุมปรุงแต่งต่างๆเกิดเพราะอาศัยปัจจัย เป็นไปอยู่และเกิดดับตลอดเวลาชัวาช่วกระพริบตาชั่วฟ้าแลบนี่มากกว่าพันแสนโกดครั้งใช่ไหมมากกว่าฉะนั้นจะไปบอกว่ามั ส, มสภาวะที่เป็นที่เข้าไปพูดได้เข้าไปเสวยเข้าไปจุติเข้าไปเกิดเนี่ยวิญญาณ น, นี้อันใดก็มาจากอันนั้นแหละท่องเที่ยวเป็นไปมาอยู่ไม่มีการแตกดับไปเข้าใจลักษณะเงี้ยนี่ก็จบแล้วใช่ไหมเที่ยงไหม พอจุติปุ๊บก็มีลูกอะไรวิ่งลอยออกอย่างเงี้ยยิงไปใหญ่เลยเดยวนี้น แ, ลแล้วไปสร้างอะไรก็ไม่รู้เห็นเป็นภาพออกวิ่งลอยฟื้เลยใช่ไห ม, มไพระเจ้าก็โมฆะบุรุษเธอรู้ทำอย่างนี้ที่เราแสดงแก่ใครเล่าคําว่าโมคะบุรุษแปลว่าอะไรจำได้ไหมไม่เจอเลยล้วโมคะบุรุษ วิญญาณอาศัยประชุมปรุงแต่งเกิดขึ้นเรากล่าวโดยปริยายเป็นอเนกไม่ใช่หรือว่าความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณทั้งหลายความเกิดขึ้นแห่งจักรคูวิญญาณความเกิดขึ้นแห่งโสตวิญญาณความเกิดขึ้นแห่งขานาวิญญาณชิวขหาวิญญาณกายวิญญาณดัมโนวิญญาณเนี่ยความเกิดขึ้นของวิญญาณเหล่านี้ต้องอาศัยปัจจัยประชุมปรุงแต่งเกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆยไม่ได้ไม่ใช่ไม่อาศัยเหตุปัจจัยเป็นไปอยู่และวิญญาณก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา เป็นโรคเป็นหัวฝีนะเป็นลูกศรอนนะโมโคาบารุตก็เมื่อเป็นดังนี้เธอชื่อว่ากล่าวตู่เราด้วย<ม>เราคือกล่าวตู่ใครกล<ม>่าวตู่พระเจ้าขุดโคนตนเองด้วย<ม>ขุดตนเองออกจากอะไรออกจากศีลขันสมาธิขันปัญญาขันวิมุติขันวิมุติญาณทัศนะขันของภาษาสดาแล้วจากประสบสิ่ง จากประสบสิ่งที่เป็นบาปไม่ใช่บุญเป็นอันมากด้วยเอาแล้วพระเถรพลด่าวอย่างนี้แล้วเจ็บปวดหร้อไม่เนี่ยเพราะทิศทีที่ตนถือผิดนี่เป็นมิจฉาทิฐิเนี่ยแล้วถือแล้วทําไงล่ะถือแล้วปล่อยไม่ได้ไม่มีอะไรไม่มีปฏินิสคานุปสนานมันก็ยึดถืออยู่อย่างเราเนี่ยไม่มีปฏินิสคานุปสนานเราก็ไม่กล้า ปล่อยเหมือนกันใช่ไหมกล้าไหมเนี่ยก็ไม่กล้าอีกเราก็มีทิฏฐิอยู่ไหมถามว่าสัจจะทิฏฐิการเห็นว่าเที่ยงเหมือนสาติตพิคูลเนี่ยไปจากอะไรไปจากสักกายทิฏฐิสักกายทิฏฐิของเราตอนนี้มีอยู่ไหมที่เห็นว่าเป็นตัวเป็นตนเห็นว่าเป็นเราเป็นเขาเห็นว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นต้นเหล่าเนี้ย ฉะนั้นตัวนี้อย่าให้กำเริบนะเราเคยคิดไหมตอนนี้เรามีเชื้อมาเลงปุบเข้าให้แล้วในกระแสของความคิดก็คือตัวมิจฉาทิฏฐิตลอดเวลาเนี่ยถ้าใครสกัดไม่อยู่ไอ้ทิฏฐิตัวนี้ก็เพิ่มกําลังมากขึ้นแล้วก็กลายเป็นสัจสตะกลายเป็นอุเฉธากลายเป็นอเยตุกะกลายเป็นนัตติกาทิฏฐิกลายเป็นอกริยาทิฏฐิแล้วก็เรียบร้อยไป ฉะนั้นพวกเราเป็นพวกที่ไม่น่าไว้ใจไม่น่าไว้ใจหรอกจะเป็นอามาเลยุ่งเลยอามาก็ยังนึกไม่ได้ไม่ได้ถ้าต้องการจะเดินในสังสารวัตต้องคมตัวนี้ให้ได้คมกำเนิดสักยะทิฏฐิอย่าให้กาเริบ ม, มากกว่านี้เพราะทิฏฐิที่ตนถือผิดโมคะบุรุษก็ความเห็นนี้ของเธอจักเป็นไปเพื่อ สิ่งไม่ใช่ประโยชน์เป็นไปเพื่อทุกตลอดกาลนานนี่จบแล้วจะเป็นไปเพื่อทุกขก็สรุปก็คือทุกในบายตลอดกาลนานเนี่ยเนี่ยพอพระาศาสด า, า, าตรัสอย่างนี้เบ็ดเสร็จแล้วในภิกษุทั้งหลายพวกเธอจะสาคัญความข้อนั้นอย่างไรนี่พระพุทธเจ้าสาธิตภิกขุเกวัตบุตรน่ยจะเป็นผู้ทําความเจริญในพระธรรมวินัยนี้ได้หรือไม่เอาแล้วถ้าคําว่า ทำความเจริญในพระธรรมวินัยนี้ได้หรือไม่ก็แปลว่าเธอจะเจริญศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาที่เป็นระดับสีลโดสุทธิได้ไหมได้ไม่ได้ไดไไดจะทําศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาประชุมในกระแสใจเป็นไปในระดับของสี่โดยสุที่ได้ไห ม, ไมเธอจะออกจากพวกกามวิตกก็ไม่ได้ออกจากพยาบาทวิตกออกจากทีน้มิทาอุทจาคกคุกุจาวิจิกิชาวิชาออกไม่ได้ เพราะว่าจริงๆแล้วก็คือว่าถือผิดแล้วระดับจิตวิสุทธิระดับทิฏฐิวิสุทธิเป็นต้นไม่สามารถที่จะจะ ง, งอกเงยในพระธรรมวินัยของพระอริยะท่านแล้วก็พอพระอริยะบอกว่าจากเป็นผู้ทําความเจริญในพระธรรมวินัยนี้ได้หรือไม่คือาศาสนาเห็นไหมคำว่าศาสน า, สาศาสนาเป็นชื่อของพุทธวจนะ ทั้งสิ้นเป็นชื่อของสิกขาสามใช่ไหมเป็นศาสนาพรหมจรรย์อาริยมรรคมีองค์8เป็นต้นเป็นชื่อของมรรคพรหมจรรย์ถามว่าจะเจริญเข้าถึงมรรคได้ยังไงถ้าวิธีคิดแบบนี้วิธีปฏิบัติอย่างนี้เข้าใจพระธรรมอย่างนี้กล่าวตู่พระาศาสดาด้วยขุดตนเองด้วยจะประสบบาปที่ไม่ใช่บุญเป็นนั้นมากด้วยแล้วสิ่งที่สาติภิกลกระทาไปเนี่ยพระาศาสดาเป็นโมคะบุรุษเพราะไปถือทิฏฐิแล้วไม่ยอมปล่อยมิจฉาทิฏฐิเหล่านั้นออก ความเห็นของเธอนั้นจะเป็นไปเพื่อสิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์และเป็นไปเพื่อทุกข์ก็ได้ไปที่ชาติทุกข์เคลาทุกข์พยาทีทุกข์กระมรณะทุกข์โดยส่วนใหญ่ก็ลงอบายกันไปเนี่ยนะเมื่อพระบรมศาสดาตรัสอย่างนี้แล้วสาติภิกขุเกวัตบุตรผู้เกวัตบุตรเนะนั่งนิ่งเก้อเขินคอตกก้มหน้าซบสาวพูดไม่ได้พูดไม่ได้พูดไม่ออกแต่ถอนทิถีไม่ได้แล้ว พอถอนไม่ได้เนี่ยความคิดจะวิจิตแล้วแต่เนี้ยปบลำดับนั้นน่พอเธอเก้อเขินแบบเสร็จนะนะสาธิธพิกูเกว่าจะบวชนั่งนิ่งแล้วเก้อเขินคอตกก้มหน้าหมดสบสาพูดไม่ออกภาษาสดาตรัสกับเธอว่าโมคาบุรุษเธอจักปรากฏด้วยทิฐิลามกของตนนั้นคือเธอจักปรากฏด้วยทิฐิลามกของตนนั้นเราจะสอบถามภิกษูนทั้งหลายในที่นี้ ลำดับนั้นพระศาสดาก็ตรัสบอกว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอรู้ย่อมรู้ทั่วถึงธรรมที่เราแสดงแล้วเหมือนอย่างที่สาติตพิกุกข่าวตู่เราด้วยไหมขุดตนเองด้วยย่อมประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นอันมากด้วยพราะทิฏฐิที่ตนถือผิดหรือภิกษุเหล่านั้นก็กราบทูลพระบรมศาสดาว่าข้อนี้ไม่มีเลยพระพุทธเจ้าครับบอกไม่ได้ไม่ได้ประกาศว่ารู้ทั่วถึงและถือทิฏฐิผิดอย่างนั้นเลยเพราะวิญญาณ อาศัยปัจจัยประชุมกันเกิดขึ้นเพราะพระพุทธเจ้าตรัสแล้วแก่พวกข้าพระองค์โดยเอเนกปริยายความเกิดแห่งวิญญาณเว้นจากปัจจัยไม่มีพระศ า, ศาสดาก็ตรัสว่าถูกดีแล้วภิกษุทั้งหลายบอกว่าพวกเธอรู้ทั่วถึงธรรมที่เราแสดงอย่างนี้ถูกแล้วภิกษุทั้งหลายวิญญาณอาศยจจัยปัจจัยประชุมเกิดขึ้นเรากล่าวโดยโดยเอเนกว่า้นเว้นจากปัจจัยไม่มีวิญญาณแต่สาติภิกขุภูม วัตถบุตรกล่าวโตวเราด้วยขุดตนเองด้วยย่อมประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นอันมากด้วยเพราะทิฏฐิที่ตนถือผิดความเห็นของโมฆะบุรุษนั้นจะเป็นไปเพื่อสิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์เพื่อความทุกข์แก่เธอตลอดกาลนานและภระศาสดาก็ตรัสเกี่ยวกับเรื่องของปัจจัยนะปัจจัยเป็นเหตุเกิดของวิญญาณทั้งหลายเลยแล้วก็ไล่ไปตามลําดับตรงนี้ตรงนี้ถ้าดูในชั้นของคําสอน ดูชั้นของคำสอนเอาลองมาสืบค้นดูว่าทำไมทิฏฐิอัลลามกนี่นะถ้าไปดูในอลรักทูปมาสูตรในมัชิมนิกายนี่งที่พระบรมศาสดาตำหนิอริทกะพิคุถท่านในพระวินัยก็กล่าวไว้ด้วยในพระสูตรก็กล่าวไว้ด้วยฉะนั้นในชั้นของทิฏฐิเนี่ยพระศาสดา พระรหันตาเจ้าทั้งหลายเนี่ยพระาศาสราตรัสไว้หลายที่พระรหันตาเจ้าทั้งหลายก็เอาไว้หลายจุดมากในพระวินัยก็กล่าวไว้ในพระสูตรก็กล่าวไว้ในสูตรแรกถ้าใครจะเรียนพระไตรปิฎกนี่นะในพระสุตตานต์ไตรปิฎกเนี่ยเริ่มต้นก็นคือเนี่ยกล่าวในเรื่องของพรหมชาลาสูตรกล่าวทิฏ ท, ทีหกสิบสไว้นี่แปลว่าอะไรนี่แปลว่าให้เห็นความสําคัญของตัวความเห็นผิดที่จะเข้ามาสู่พระธรรมวินัยเนี่ยระวังไว้ ระวังความเห็นผิดที่มันจะไหลท่วมทับวิธีคิดของสัตว์ทั้งหลายนี่แหละเพราะสัตว์ทั้งหลายมาจากความเห็นที่ไม่ตรงใช่ไหมเมื่อมาจากความเห็นที่ไม่ตรงแล้วเนี่ยฉะนั้นโอกาสเห็นความเห็นผิดก็จะบ an ั่นทอนวิธีคิดเขาเรียกว่าทิฏฐิคตังเนี่ยทีนี้สัตสตาภิบอกว่าเป็นศัตสตาทิฏฐิก็ภิกษุที่เป็นอริากาภิกขุในรัตอรัตทู ป, ปมาสูตรนะั้นเป็นผู้สดับมาก ส่วนสาติพิกขูเนี่ยเป็นผู้สดับน้อยคือนี้ฟังพระธรรมมาน้อยแต่น้อยเ่ยมากกว่าเราเยอะนะอย่าคําว่าน้อยของท่านเนี่ยนะอ้คือท่านชอบกลุ่มชาดกมากฟังพระเจ้าประชมเรื่องชาดกวาพวกภิกษูทั้งหลายเราเป็นพระเวสสันดรเราได้เป็นพระมโหสถเราเป็นวิทูและบัณฑิตเราเป็นเ ส, เสนกะ บ, บัณฑิตแล้วก็ได้เป็น มหาชนกดับเป็นต้นอ น, นี่นะก็คือเพราะกล่าวเรื่องราวในชาดกต่างๆเหล่านี้ท่านก็เลยมีความคิดว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหล่านี้ย่อมดับไปนาะที่นั้นนั่นแหละแต่วิญญาณย่อมแล่นไปท่านบอกว่าตัวไหนดับรูปเวทนาวิญญาณสังขารดับแต่วิญญาณไม่ดับนี่เข้าใจเงี้ยท่านเข้าใจขันห้าไหมเข้าใจ แต่เข้าเข้าใจรูปเข้าใจเวทนาเข้าใจสัญญาเข้าใจสังขารแต่ท่านสําคัญว่าวิญญาณเที่ยงอย่างอื่นดับหมดแต่วิญญาณนั่นแหละเที่ยงแล้วก็แล่นไปว่างั้นนะวิญญาณแล่นไปท่องเที่ยวไปจากโลกนี้สู่โลกอื่นจากโลกอื่นสู่โลกนี้ก็เลยเกิดสัจสรรมทิฏฐิถือมั่นอย่างรุนแรงเลยว่าวิญญาณนั่นแหละย่อมแล่นไปท่องเที่ยวไปไม่ใช่อื่นไกลแล้วฉะนั้นแปลว่า รูปขันท่านวิจัยไหมเนี่ยวิจัยเวทนาก็เข้าใจสัญญาก็เข้าใจสังขารบางส่วนก็เข้าใจแต่วิญญาณไม่เข้าใจไปเข้าใจโอ้โหวิญญาณเป็นประธานใช่ไหมมโนโปุพังกามาธรรมามโนดัม ม, ม, โ, น โ, ม, มโนเสรามโนวิญญาณเนี่ยหอ้ใจมีทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าฉะนั้นจิตเป็นใหญ่จิตเป็นประธานจิตเป็นหัวหน้าจิตต้องแล่นล่องเที่ยวไปพวกนั้นแตกดําหมด โอ้โหไม่น่าเกิดในยุคของพระเจ้าเนะี่ยได้ห่มผ้ากาสาวาทเป็นธงชัยของวาติยาท่านลบกากิเลสพลาดไปนี่ความคิดออกนอกแถวน อ, น, อนอกแนวไปหักชิ้นนาจักของพระเชษฐาเจา้ า, จาแต่พระสามมาสมุทจาตรัสว่าเมื่อปัจจัยมีความเกิดแห่งวิญญาณก็มีเว้นจากปัจจัยนะความเกิดแห่งวิญญาณก็มีไม่ได้เพราะฉะนั้นภิกษุที่ชื่อว่ากล่าวคําที่พระเจ้าไม่ได้ตรัสไว้เนะี่ย ใครที่กล่าวคําที่พระบรมศาสดาไม่ได้ตัดไว้ทําลายชินจักรคัดค้านเวสารัชยานทําให้ชนผู้ใคร่จะฟังเข้าใจผิดกีดขวางทางของอริยะเ อ, เอาแล้วเอาแล้วแต่นี้ทางเป็นทางของอริยะใช่ไหมแต่เราไปกล่าวทางผิดเให้อ้อาวที่สมมติเอามาไปสอนทางผิดเนี่เอามากลายเป็นเนี่ย ากาเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยถ้าไปกล่าวขัดแย้งนะแย้งอะไรเวขัดแย้งเวสาลัชยานเขา้าไปนี่ก็เรียกหักชินจักเขาไปย่ีถ้าผู้ศึกษาไม่ได้ตั้งใจนะคะแม้กระทั่งกล่าวของขมาแม้กระทัะ่งเ่อกบปุุชนังหมดเนี่ยไม่สามารถเข้าใจรอบโคได้หมดก็จะกล่าวว่าไจะรบเพราะว่าอย่างสมุาจเนี่ย บางทีเราก็าไม่ว่าใครก็ตามท่าเข้าใจมีข้อทวนแต่ไม่มีอไม่มีความตั้งใจเนื่องจากความรอบรู้อย่างอ๋ อ, อใช่ไหมเออตรงนี้ถามว่าแล้วเมื่อประกาศออกไปแล้วตนเองมีถืออยู่ไหมถ้ามีคนติงพร้อมถอนไหมถ้าพร้อมถอนไม่เป็นไรในตรงเนี้เพราะไม่ถือไว้ถ้าอย่างนี้ถ้าพร้อมถอนไหมล่ะถ้าถามพวกเราเนี่ยถ้าใครมีมาติงปุ๊บเราพร้อมจะถอนความเห็นนั้นไมหมฮะ ก็ S <S สมมติว่าเราไปยืนยันว่าที่ทำมันถูกแต่คนมาติงเรามันผิดะจะว่างไงนี่แปลว่าเราถือเรียบร้อยแล้วนะยงจมาสมมติครูบาอาจารย์มีหลายคนก็มีความคิดกันนี้เนี่ยผูโอโอโอ้ที่เป็นศิษย์เนี่ยบางคนก็ยึดมั่นครูบาอาจารย์แล้วก็ตั้งแล้วก็ตัวเองไม่วิฉัยไม่ได้ตั้งแต่มีข้อวิธีอย่างไระที่จะทาให้เขา เออต ร, ตรงนี้ตรงนี้ต้องต้องพยายามช่วยกันหน่อยเนาะเพราะเพราะอย่างที่ ย, ยกประเด็นคาว่าความเป็นบุรุชนนี่แหละความเป็นบุรุชนนี่แหละบอกว่าเออสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าถ้าเห็นว่าถ้าเห็นว่าคำกล่าวของท่านผู้นั้นมันจะแป่งแต่ง น, น, น, นะหมายความบอกว่าเออในชั้นของคำสอนเนี่ย คือด้วยหลักจริงๆเน่เรามีคำสอนเปรียบเทียบไหมถึงกรณีที่เราจะวินิจฉัยเนี่ยเราต้องดูว่าเออในชั้นตั้งแต่เริ่มพื้นฐานไปเป็นตามลำดับเนี่ยเราเข้าใจคำสอนแค่ไหนอย่างไรก่อนถ้าเรายังยไม่เคยไม่มีข้อมูลเท่าที่ควรเลยเนี่ยไอ้ตรงนี้แหละตรงนี้อที่ว่ามีโอกาสค่อนข้างที่เราจะตามถ้าคนมีบุญเก่าดีหน่อยก็โอ้โ อ, อนะ ก, ก็ชัดเจนเล แต่อย่างเราเราจะทํำยังไงตรงนี้ประเด็นเนี่ยเท่าที่มาคิดได้ตอนนี้นะถ้าคิดได้ตอนนี้ก็คือว่าศึกษาเรียนที่เราศึกษามาเป็นไปตามลําดับชัดเจนดีไหมตรงเนี้นะหรือเราศึกษาถ้าถามบอกว่าจริงๆแล้วเรามั่นใจว่าเราเข้าใจเนะ่ยเข้าใจจริงหรือไม่ลองสอบสวนกับเพื่อนๆดูที่เอก็ <c oughs> ก็ไม่หมายความว่าลองไปนั่งคุยกันบ่อยๆใช่ไหม น้องนั่งคุยกันเบียดเสร็จแล้วก็ถามใช่ไหมแล้วก็สอบถามเพราะว่าในบรรดาที่เราศึกษาพระธรรมก็ต้องคุยกันดูใช่ไหมต้องคุยกับคำสอนเบียดเสร็จแล้วเปรียบเทียบสักเล็กน้อยก่อนแล้วก็เริ่มมาตรวจสอบคําสอนตามนั้นคือคือคำพูดเนี่ยยกตัวอย่างเช่นว่าเวลากล่าวเรื่องสติแต่ไม่เป็นไปตามลาักษณะเจตุกาอันนี้ก็จบแล้วนะถ้าพูดถึงปัญญาก็ไม่เป็นไปตามลาักษณะเจตุกาอย่างงี้นะ อันนี้ชั้นพื้นฐานแปลว่าไปไม่เป็นแล้วแล้วจะไปสู่ระดับสูงอย่างเงี้ยเรือเราก็เริ่มไม่ค่อยมั่นใจท่านผู้นั้นแล้วเพราะในชั้นของคำสอนท่านผู้นั้นจำไม่ค่อดีแน่นอนหรือถ้าถามกันตรงๆเนี่ยยอมไว้ใจไหมถ้าคนที่ไม่มีตำราวางไว้บรรยายเนี่ยเ <Okay. S 1> อาหยิบไม้แล้วปั๊บก็พูดเนเงี้ยมั่นใจมเว้นไว้แต่ท่านผู้นั้นทรงคาสอน จำได้เป็นแผงเลยนี่นะยกฟื้นมาฟื้มาตามลำดับเนี่ยนะยกนี้เนี่ยยกเนี้ยที่แน่ก็คือว่าท่านจับเล่มไหนแล้วก็จับตามท่านไปท่านฟังนเปล่ใช่ใช่นั่นแหละตรงนี้เพราะว่าถ้าใส่ นั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ต้งบอกว่าถ้าถ้าเรามีพื้นฐานบ้างก็พอจะตรวจสอบได้ถ้าพื้นฐานเนี่ยตรงเนี้ยคือคือถ้าถ้าไม่มีพื้นฐานเลยนี่ก็จะเป็นเรื่องหน้าหน้าลําบากใช่ไหมเพราะถ้าบอกว่าเอ๊จะจะทำยังไงก็คือถ้าในชั้นคําสอนถ้าเราตรวจสอบและศึกษาไปเรื่อยๆในส่วนจริงเราจะเริ่มมีมัด จะมีหลักวัดถ้าเราพูดกันโดยตรงก็คือใครใครเข้าใจพระไตรปิฎกได้ก็แปลว่าตัวรัฐธรรมนูญได้เข้าใจแล้วงั้นใครจะมาเขียนกฎหมายลูกที่ค้านกับตัวรัฐธรรมนูญนี้จบแล้วอย่างเงี้ยนะถ้าอย่างเงี้ยเข้าใจแปลว่าชัดแล้วอย่างเงี้ยนะสรุปก็คือว่ามีความเข้าใจพอสมควรหรือหรือกรณีที่คนมีบุญหน่อยก็มีกัลยาณมิตรที่เขาตรวจสอบให้ดี ก็หวังว่าเราท่านทั้งหลายจะหากัลยาณมิตรกันได้ถถ้าได้กัลยาณมิตรตรงนั้นก็เป็นบุญของพวกเราไปเลยใช่ไหมซึ่งอามาก็สวยงากัลยาณมิตรเหมือนกันตรงนี้ฉันพอถามประเด็นตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยมาหาประเด็นตอบค่อนข้างดีเพราะมันมันไม่มีหลักสูตรที่บอกว่าหนึ่งสามสี่ห้าได้ โม ม, มีคนถามออกมานะว่าถ้าถ้าท่านผู้นี้สอนปฏิบัติถูกแต่สอนปริยัติถูกแต่ออสอนปริยัติผิดปฏิบัติผิดแต่ปริยัติสอนถูกถามว่าจะตั้งท่าทียังไงออกมาบอกว่ายมเชื่อไหมว่าคนที่มีการเน้นการสอนปฏิบัติผิดเนี่ยถึงแม้สอนคําสอนในพระไตรปิฎกก็จะอัดความเห็นที่ผิด ใส่เป็นระยะระยะตรงนั้นเนี่ยการเสพ จ, จะลําบากใจตรงนั้นตรงนั้นแหละคือคือคือโทษถ้าเป็นอามาอามาจะไม่เลือกเสพแต่ถ้าคนอื่นมั่นใจตัวเองก็ว่าไปแต่อามาไม่มั่นใจตัวเองอามาจะไม่มั่นใจตัวเองเลยเพราะรู้ว่าเดินเดินแนวทางของการปฏิบัติขัดกระหลักระยะที่เรียนแล้วอามาก็จะเริ่มเดินหนีแล้วเพราะเพราะเวลาบรรยายไปเนี่ยก็จะอัดข้อมูล ที่ความเข้าใจใส่ไปเรื่อยเพราะคนคนนั้นพูดนี่เราก็เสพไปโดยไม่ค่อยรู้ตัวเดี๋ยวก็เป็นการเสพติดไปตรงนี้แหละเป็นเรื่องที่อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าจะให้ไปว่ากันามาไม่ว่านะเพียงจะบอกว่าท่านเต็มที่ท่านและคือทุกคนก็อยากพ้นทุ ก, กันเนี่ยนะตั้งจิตเจตนาอยากจะพ้นทุกนั่นแหละ ได้ความปรารถนาที่จะพ้นทุก์นั่นแหละโดยการที่ว่าบางครั้งไปเข้าใจว่าพระธรรมที่พระบรมศาสดาทรงรู้แจ้งเนี่ยเห็นไอย่างนี้กรณีนี้คิดเลยเลยเนี่ยคิดเลยปุ๊บเลยไปเล ย, เยก็ไปไปเข้าใจผิดแล้วก็ก่าวสิ่งที่ไม่ใช่คำสอนขึ้นมาแล้วก็เป็นการหักพระศาสด า, ส า, ส า, สายังบอกบอกว่าท่านบอกรูปเวทนาสัญญาสังขารน่ดับไปในที่ น, น, นั้นนั่นแหละ แต่วิญญาณแล่นไปท่องเที well. andi, ่ยวไปจากโลกนี <certains S 2> ้ส <it really S 1> <no. S 2> ู่โลกอื่นจากโลกอื่นสู่โลกนี้ก็เกิดสัสตาทิฏฐิบอกว่าวิญญาณนั่นแหละย่อมแล่นและจงท่องเที่ยวไว้ปภาษาสดาตัดว่าเมื่อปัจจัยมีความเกิดขึ้นเหงาวิญญาณก็มีเว้นจากปัจจัยความเกิดเหงาวิญญาณย่อมไม่มีเพราะฉะนั้นภิกษุชื่อว่าคําที่พระเจ้าไม่ได้ตรัสไว้เนี่ยนะไปตรัสไปกล่าวคําที่พระเจ้าไม่ได้ตรัสไว้เนี่ยภิกษุใดนะ ไปตรัสคําที่พระบรมศาสดาไม่ตรัสไว้เป็นการทําลายชินจักรแล้วก็คัดค้านเวสารัชายานของพระบรมศาสดาทําให้ชนผู้ไข้จะฟังเข้าใจผิดอันนี้เป็นการกีดขวางทางแห่งอริยะกีดขวางทางสติปัฏฐานสมปภะฐานอิทิบาทอินทร์สีพระลักษมณ์โคตงอริยมรรตอันนี้ไปกีดขวางทางของคนนั้นน่ยคือท่านพวเนี้ถ้าไม่เจอเราเสี้ยเนี่ยเขาก็จะได้ดิบได้ดีใช่ไหม นี่พอมาเจอเราเนี่ยเราก็เลยไปทำให้เขาชักให้เขาแขวะออกจากทางของอะเดียมราร์สนี่อันนี้เลยไปและไปอัดข้อมูลของตนเองใส่เข้าไปอีกแล้วไปการกระทบหักชินอาจักรพระเจ้าตัสรู้ด้วยสัพพยุติยานใช่ไหมก็ไปหักชินอาจักของพระเจ้าพระเจ้ากล่าวพระธรรมด้วยสัพพยุติยานนะแล้วเรากล่าวพระธรรมด้วยอะไรด้วยมหากุศล ถ้บวกความเห็นผิดก็เป็นด้วยมิจฉาทิถิใช่ไหมเอาสิตรงนี้แล้วกล่าวด้วยด้วยจิตธรรมดาเราจะไปเราจะไปยกตนเองอะไรขนาดนั้นเราเนี่ยกล่าวด้วยจิตธรรมดาจิตที่ไม่ได้มีการขัดเกลาไม่ได้มีการอบรมไม่ได้มีการสั่งสมอะไรมาม า, มากเท่าไรเลยใช่ไหมแล้วเป็นจิตสกรกด้วยโดยส่วนใหญ่เป็นจิตที่ไม่สะอาดด้วยไม่ได้ถูกชาระสาสางด้วยอริยมรรคอริยผลใดๆเลย ความเข้าใจของเราเราท่านทั้งหลายจึงบอกต้องอิงมีพระาศาสดาเป็นข้อมูลมีพระศาสดาเป็นต้นเขามีพระศาสดาเป็นเหตุมีพระาศาสดาเป็นที่เป็นไปอย่างเงี้ยถ้าเราตั้งหลักของตนเองอย่างนี้ได้เสียนเนี่ยเราจะสังวรระวังว่าเรานั้นเป็นเพียงธุลีเม็ดเล็กๆอยู่ใต้อุ้งพระบาทของพระบรมศาสดาเท่านั้นเองใช่มเงี้ยอย่างเงี้ยเราก็จะเข้าใจอ๋อ เราเนี่ยเเราเป็นผู้ที่ต้องเดินตามพระพุทธเจ้าจริงๆบางทีไปบอกว่าการปฏิบัติเนี่ยง่ายอย่างเงี้ยมันง่า ย, ยาไม่ต้องไปศึกษามากไม่ต้องฟังมากอย่าง เ, เงี้ยนะนพอไปไปไปในลักษณะอย่างนี้มันก็เลย มันก็เลยไปมององง่ายเช่นเอาสมมติขออภัยนะว่าเอาพอจิตอะไรเกิดขึ้นก็ให้รู้อย่างนี้สมมุตนะิเงี้ยนี่ยนี่นะคับก็ให้กำหนดรู้เงี้ยพอไปดูพุทธพจน์เพียงแค่นี้ก็เลยบอกว่าจิตอะไรเกิดขึ้นก็กำหนดรู้เพราะพ อ, <c oughs> พอ พอในชั้นคำสอนตอนเรียนกันโอ้โหเรียนแยกกันแทบแยกเลยใช่ไหมแยกทั้งสมนัสแยกทั้งอสังคารีสัสังคารีสอะไรก็ไม่รู้แยกกันละเอียดหมดแต่พอจะมาปฏิบัติกันก็หน่อยเอาออกหมดเลยเนี่ยมาเนี่ยกาหนดรู้แล้วใช่ไหมแล้วก็บอกว่าเนี่ยก็คอยดูที่เป็นปัจจุบันก็พอกรไปใหญ่แล้วแต่นี้ไปแล้วไม่แต่เนี้เข้าใจไหมแต่เนี้ยมันมันเป็นแบบเนี้ย มันก็เลยเป็นการหักแล้วอันนี้เป็นการทำลายชินจักคัดค้านเวสารัณญานทำให้ชนผู้ใข่จะฟังเข้าใจผิดแล้วคือปกติเนี่ยเราได้ตั้งศรัท ธ, ธาไว้เพื่อต้องการจะมาฟังพระธรรมของพระศ า, าสดาแต่ด้วยการที่เราไปครบ ป, รปรั ป, ปมิตรปาพปรมิตรก็เลยให้เราฟังอสัต ธ, ธรรมก็ให้อสัตธรรมนั้นพอกพูนในกระแสใจสัตว์มากขึ้นมากขึ้น สัตมนั้นรับสิ่งที่ผิดมากขึ้นมากขึ้นในส่วนจริงสัตว์นั้นก็เดินทางผิดและเกียรตขวางทางใน อ, อริยะคืออริยมรรคมีองค์แปดนั่นเองเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อสิ่งที่ไม่ใช่ใชใชประโยชน์เลยตัวเนี้ยคือแทนที่เราจะประสบทุกขคนเดียวก็ทําให้คนอื่นประสบทุกข์ด้วยทําให้มหาชนน่ยนะต้องประสบชาติทุกข์ชรทาทุกข์พยาธิทุกข์มรณะทุกข์เพราะเราเป็นเหตุ แทนที่เขาจะพ้นจากชาติทุกข์คําสอนของพระศาสดาเนี่ยเป็นไปเพื่อพ้นจากชาติทุกข์ชรลาทุกข์พยาทุกข์มรณะทุกข์เป็นไปเพื่อพ้นจากความโศกความล่ำไรลําพันธ์ไม่สบายกายไม่สบายใจเพื่อจะพ้นจากความครับแค้นใจแต่เราเนี่ยไปหักไปบิดเบือนเส้นทางให้เขาเดินประสบความทุกข์อีกอันนี้เขาเรียกว่าแก่มหาชน